ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่สี่สิบพูยกัเรื่องวันอุโบสถซะหน่อยบางทีเราไปแล้วเราก็ไปร่วมโดยไม่ได้เข้าใจาชัดเจนว่าไปทำอะไรก็อุโบสถเรามักจะหมายถึงตัวโรง อุโบสถที่เรียกกันว่าโบสถ์ที่จริงอันนั้นเป็นคำที่ใช้กันมาในภาษาไทยไม่ได้ถูกต้องอะไรนะักอุโบสถเรียกสั้นๆว่าโบสถ์เป็นชื่อของกิจกรรมไม่ใช่ชื่อของสถานที่อันนี้สถานที่ที่ทำกิจกรรมนั้นเนี่ยเลขตเต็มๆว่าโรงอุโบสถเป็นภาษาบาลีว่า อุปสัทคะหรืออุโปสถาคานคือเอาคําว่าอุโบสถหรืออุโปสถานไปบวกคําว่าอัคคะแปลว่าโรงหรืออาคารก็โรงเพราะฉะนั้นต้องพูดเต็มตามบาลีต้องเป็นอุโปสถัทคะหรืออุโปสถานานี่มาภาษาไทยเราก็ใช้ เพื่อให้สะดวกลิ้นของเราเราก็เรียกกันว่าอุโบสถพระอุโบสถตัดสั้นๆว่าโบสถ์อันนี้เป็นการทำความเข้าใจเรื่องศาสนาทีนี้กิจกรรมที่เรียกว่าอุโบสถนั้นคืออะไรก็เป็นคําเก่าแก่ซึ่งมีมาก่อนพุทธกาลในศาสนาที่มีมาแต่เดิมนั้นเขาก็มีกิจกรรมเหมือนกันนี่กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ ปรากฏว่ามีในศาสนาทั้งในอินเดียและในดินแดนอื่นๆ อ, อย่างทางพวกตะวันตกรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมีการติดต่อมีการเผยแพร่กันไปยังไงนะ่มีประเพณีอย่างหนึ่งเขาเรียกการถือศีลอดนะหรือจำศีลการอดอาหารอดมากอดน้อยเนะี่ย ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ในบางศาสนาในอย่างศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาที่เกิดยุคหลังมากนะก็มีการถือศีลอดอดอาหารเนี่ยนานเป็นเดือนเลยนะแล้วก็อดตลอดตั้งแต่พระาทิตย์ุนขึ้นจนพระอาทิตย์ตกนะอดจนกระทั่งว่าไม่กลืนแม้แต่น้ำลายในช่วงเดือนนั้นที่เรียกเรียกเป็นภาษาไทยว่าเดือนรอมดอน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 แต่เป็นการถือพิเศษในเฉพาะบางวันนะก็คือถือในวันขึ้น8ค่ำแลม8ดค่ำแล้วก็ขึ้น15บห้าคำแล้วก็แรม15คห้าำในกรณีที่เดือนเต็มหรือแรมสิบห้า่ในกรณีเดือนขาดมีการถืออดอาหารเฉพาะแค่หลังเที่ยงไปแล้วใช่ก็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 แต่โบราณก็ได้เวลาฝรั่งแปลคำว่าอุโบสถของเราเนี่ยก็แปลว่า f า s t i n g <laughs> แปลว่าการอดอาหารนะเพราะเขาก็เอาไปสัมผั์กันโยงกัน็ตามที่พูดมานี้ก็เห็นว่าคำว่าอุโบสถเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับประเพณีในาศาสนาเก่าๆ เ, เรื่องของการอดอาหารแต่ตัวอุโบสถเองนี่แปลว่าการอยู่จำหรือเข้าไปอยู่ เข้าไปอยู่ก็อุปะแล้วก็วสถะแปลว่าเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ก็อย่างที่เราแปลเป็นไทยเราก็แปล ว, ว่าใช่ไหมเข้าไปอยู่ในวัดไปอยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งเราเรียกกันว่าจำศีลจำอะไรต่างๆ ต, งตอนนี้ถือข้อปฏิบัติในทางศาสนาทีนี้ ในตอนต้นพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศพระาศาสนาใหม่ๆตั้งคณะสงฆ์พระไปประกาศพระาศาสนาตอนแรกก็เป็นระยะที่พระต้องออกไปสั่งสอนประชาชนขยายไปเรื่อยๆกิจกรรมต่างๆก็ค่อยๆเริ่มมีไม่ได้ลงตัวครบถ้วนอันนี้ในระยะแรกๆก็มีเรื่องราวปรากฏขึ้นมาถึงเหตุ ท, ที่จะทำให้มีการบัญญัติถึงอุโบสถว่า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 แสดงกล่าวคำสอนให้คนชาวบ้านหรือศาสนิกของเขาฟังอันนี้ทางพระพุทธศาสนาของเราพระสงฆ์ก็ยังไม่มีกิจกรรมนี้นะเพราะว่าก็คงยังมีตการเทศแสดงธรรมไปเรื่อยๆไม่ได้จัดในวันเฉพาะอย่างนี้อันนี้พระเจ้าพิมพิาสารทรงเป็นอุบาสกเรื่องใสในพุทธศาสนามาก พระเจ้าปิมพิสารก็เลยไปดําริว่าเอนี่ท่าในหมู่พระสงฆ์ของเราในพุทธศาสนานี่มีการมาประชุมกันแล้วก็มากล่าวสัทนาธรรมแสดงธรรมให้ประชาชนชาวบ้านฟังคงจะดีงั้ น, น, นก็เลยมาเสนอกราบทูลเสนอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นชอบด้วยก็เลยจัดประชุมพระสงฆ์ว่า ในวันที่ว่าเนี่ยวันขึ้น8ดค่ำแร8ม8ปดค่ำขึ้น15บห้าคำแรม15ห้าหรือส4บส่ค่ำเนี่ยให้พระประชุมกันอันนี้ตอนนี้ไม่ได้ตรัสกาชับไว้มั่นเหมาะในเรื่องแสดงธรรมปรากฏว่าพระนี่ก็คงมีหลายแห่งหลายยอมอยู่กันที่ต่างๆ หลายแห่งนี่ท่านมาประชุมกันจริงแต่ว่าท่านก็มานั่งเฉยๆไม่ได้ทำกิจกรรมในแง่าการแสดงธรรมสั่งสอนประชาชนให้เป็นเรื่องเป็นราวออกมาคนเขาก็เลยเอาไปติเตียนพระในพุทธศาสนาแต่มาถึงวันนี้ก็มานั่งประชุมกันอยู่เฉยๆไม่พูดไระจาวันพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเติม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 ความหมายไม่ได้จำกัดแค่นี้สำหรับชาวบ้านนั้นก็เป็นโอกาสที่จะมาอยู่มาวัดกันเป็นพิเศษในวันนั้นแล้วมามาเป็นพิเศษแล้วมาฟังธรรมมาอยู่ใกล้พระภิกษุก็ได้ถือข้อปฏิบัติเป็นพิเศษนะ mm hmm. นั่นก็จะพัฒนาออกมาเป็นว่าตัวอุโบสถเนี่ยจะไม่เน้นเรื่องตัวศีลคือสิกขาบทนั่นเอง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 เราก็เรียกศีลหรือสิกขาบทที่รักษาในวันอุโบสถนี้เรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านว่าศีาลอุโบสถแต่ที่จริงภาษาพระคแค่ว่าถืออุโบสถทนั้นก็หมายถึงว่าการถือข้อปฏิบัติหรือสิกขาบทแปดข้อนี้เลยอันนี้ก็เลยมีถึงการ น, น, นอนค้างที่วัดกันเลยนจะไม่นอนค้างวัดก็ได้ก็ไปถือที่บ้านก็นได้ แต่รวมความก็คือในวันอุโบสถเนี่ยก็ถืออุโบสถรักษาอุโบสถก็คือว่าปฏิบัติตามศิกขาบท8ข้อนี่ เ, นเป็นการปฏิบัติพิเศษเว่าในวันพิเศษแล้วก็ถือข้อปฏิบัติให้เป็นพิเศษศิกขาบท8ข้อที่เราเรียกกันว่าศีล8ซึ่งเป็นตัวอโบสถนี้ก็มีหนึ่ง ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาพระทางสมาธิยามิก็คือเว้นจากปาณาติบาต ท, ทำลายชีวิตสองก็เว้นอธินาทานการถือของที่เขาไม่ได้ให้สามก็เปลี่ยนข้อกาเมสุมิชัดจารในศี่ห้ามาเป็นอพลรรมัจจริยาเวรมณีเว้นจากการประพฤติผิดพรหมจันทร์ทั้งถือพรหมจันทร์ไม่ร่วมประเวณีนในวันนั้นแล้วก็เว้นจากมุสาวาสเว้นจากสุรามราีไรนี่ก็ หข้อเปลี่ยนข้อสเป็นอภรมมจริยาไปแล้วแล้วต่อไปก็เติมข้อ6วิการและโภชนาเวลมณีเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการหลังจากเที่ยงไปแล้วก็มีการถกเถียงกันเหมือนกันว่าเดิมนี่จะหมายถึงหลังค่ำไปหรือเปล่านะว่าวิการเพราะคําวิการเนี่ยตามศัพ์แปลว่าแค่ผิดเวลา ผิดเวลานีนหมายถึงยังไงได้บางสิกขาบทหมายถึงหลังเที่ยงบางสิกขาบทหมายถึงภาที่ตกดินแล้วนี่ก็มีการมาวิจารณ์กันว่าเอ๊ะสำหรับข้อนี้สําหรับการหัสดในแต่เดิมจะหมายถึงหลังค่ําไปแล้วหลังภาที่ตกดินหรือเปล่านะแต่เอาการว่าเป็นปัจจุบันก็ถือยุติว่าหลังเที่ยง และต่อไปก็เว้นนัจคีตาวารทิตวิสุกทัศสนามาลาคันทวิเลปนธาธารณามาณาวิภูสนัฏฐานาก็เว้นจากเรื่องของการฟ้อนรำขับร้องดูการแลดงและก็เว้นจากการทัดทรงดอกไม้ของหอมการประดับตกแต่งร่างกายและก็ไปสุดท้ายก็เว้นจากที่นั่งที่นอน ที่สูงใหญ่นที่มุ่งเรื่องความหรูหรานอนสบายเอาความนุ่มความมีฟูฟูยัดนะทำให้นอนเกิดสัมผัสที่มีความสุขนะอันนี้ก็เว้นจากเหาเนี้ยแปดข้ออันนี้สำหรับชาวบ้านก็ให้ถืออันนี้เป็นหลักแล้วก็กิจกรรมในการฟังธรรมก็ร่วมมาด้วย แล้วก็จะได้เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ตัวเองมีเวลาในการที่จะเจริญจิตภาวนามากขึ้นเพราะไม่ยุ่งกับเรื่องอาหารไม่ยุ่งกับเรื่องพร่องำขับร้องอะไรแล้วโอกาสมันก็เอื้อในการที่จะปฏิบัติฝึกฝนทางจิตใจจะทำสมาธิกรรมฐานก็ง่ายขึ้นนะแล้วนอกจอากนั้นก็พัฒนามาเรื่องของก็วันนั้นก็ทำทานเป็นพิเศษด้วย มาวัดแล้วก็มาเลี้ยงดูพระสงฆ์ถวายพระตาหารถึงกับว่ามีการทำบุญเลี้ยงพระกันเป็นพิเศษในเมืองไทยแล้วก็จะเห็นชัดเจนก็เลยกลายเป็นว่าวันอุโบสถ เ, เรียกปัจจุบันว่าวันพระเนี่ยมีทั้งเรื่องของทานศีลแล้วก็ภาวนา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 ขึ้น15บหาำแรมสิห้าหรือแร14ม14คสีเอาแค่นี้นี่เป็นอุโบสถสาหรับพระภิกษุสงฆ์เรียกว่า ร, รมอุโบสถนะฮะเมื่อเป็นสังฆกรรมก็ต้องมีกำหนดอย่างที่ว่าว่าที่ประชุมสงฆ์มีองค์เท่าไรก็สี่องค์แล้วก็พระในเขตไหนจะมาประชุมกันก็ต้องมีเขตเขตนี่เรียกว่าสีหมานะ เดิมก็คือกําหนดเขตที่พระที่อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนหนึ่งหนึ่งนะทั้งหมดพระที่อยู่ในชุมชนนี้ซึ่งมีเขตเดินที่กําหนดตามพระวินัยที่เรียกว่าสีมาเนะี่ยเมื่อถึงวันที่กําหนดครึ่งเดือนครั้งหนึ่งเนี่ยขึ้น15บห้าค่แลมสิบห้แลมสิบสี่ค่ำจะต้องมาประชุมพร้อมกันแล้วก็มาสวดศิกขาบท227ข้อ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 ไปไปมามานี่เอาสะดวกเขาจะเหลือแค่ตัวโรงที่ใช้สวดแต่เดิมเนี่ยตามเจตนารมณ์แสดงว่าต้องหมายเขตทั้งหมดเลยเขตที่พระอยู่ด้วยกันเป็นชุมชนหนึ่งก็คือวัดหนึ่งนั่นเองวัดหนึ่งก็มีเขตของตัวเองอันนี้เป็ น, นันว่าตอนหลังนี่ก็มีการทำโรงอุโบสถพระพุทธเจ้าก็ ทรงอนุญาตให้สร้างโรงอุโบสถขึ้นมาเรียกว่าอุโบสถานะหรืออุโบสถานารเพื่อจะใช้ใช้เป็นที่ประชุมพระที่อยู่ในเขตนี้ก็มาประชุมกันในโรงอุโบสถเนี้ยโรงอุโบสถนี้ก็คือหอประชุมเป็นเพียงที่ประชุมนะเดิมนั้นไม่ใช่หมายความว่าจะมีเขตเฉพาะแค่ตัวโรงอุโบสถโรงอุโบสถก็คืออยู่ในเขตใหญนะ่เป็นหอประชุมเพราะว่า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 เข้าที่ประชุมก็เอาถือแค่ว่าอยู่พร้อมในเขตของโรงอโบสถแล้วก็ใช้ได้ไม่ต้องไปคํานึงถึงพระนองนี้นะเพราะพระเพราะว่าตามพระวินัยนั้นพระที่อยู่ในเขตที่เรียกว่าสีมาทุกองค์ต้องมาประชุมถ้าผู้อยู่ในเขตสีมาไม่เข้าที่ประชุมน่ยไม่อยู่ในหัตถบาดไม่มา น, นั่งประชุมเข้าที่กําหนดการประชุมนั้นเป็นโมฆะใช่ไหม อนี้เมื่ม า, ม า, มากำหนดเขตเฉพาะโรงอุโบสถก็เลยไม่ต้องไปคำนึงถึงพระที่อยู่นอกโรงอุโบสถแหละจะจะอยู่ไงจะมีใครอีกก็ช่างเอาแค่ว่าอยู่ในเขตโรงอุโบสถเนี่ยมันนั่งในหัตถบัดในที่ประชุมที่ว่าอยู่ร่วมกันพร้อมแล้วก็ใช้ได้เลยกําหนดเอาแค่นี้นี่จะเรียกว่าเป็นความที่ว่าย่อนลงก็ได้นี่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 มีสีเสมอกันคือปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ดำลงอยู่ในสังคมแต่ละสังคมนี้ต้องมีกฎมีเกณฑ์และทุกคนต้องเสมอหน้ากันเสมอกันต่อหน้ากฎหมายนะอันนี้ก็เป็นหลักที่มีมาในพระวินัยก็ถ้าพระรักษาสีเสมอกัน ตามที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้ทั้ง227ข้อก็จะเป็นพื้นฐานให้สงดำลงอยู่แล้วก็เมื่อสงดำลงอยู่การทำกิจหน้าที่ต่างๆก็ดาเนินไปได้ดีเพราะวินัยในบะัญญัติไว้เพื่อสร้างสภาพเอื้อในการที่จะปฏิบัติกิจการในพุทธศาสนาในการบาเพ็ญไตรสิกขานะเพื่อเข้าถึงจุดหมายของพุทธศาสนาเองถ้าหากว่า227ข้อนี้มันบกพร่องไปมากๆแล้วก็ สภาพของการเป็นชุมชนสงฆ์ในพุทธศาสนาก็จะค่อยๆหมดไปทีนี้เมื่อเข้ามาที่ประชุมอย่างนี้เดิมก็เป็นอันว่าเจตนาลมเนี่ยแสดงว่าผู้ที่มาเข้าที่ประชุมรู้อยู่แล้วว่าสิขาบท227มีอะไรก็มาสวดนี่เป็นการซักซ้อมกันทวนกันมายุคหลังมาในเมืองไทยเราถึงวันสวด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 ของส่วนรวมนะซึ่งจะต้องร่วมกันทำซึ่งสมาชิกทุกท่านมีความรับผิดชอบนะแต่บัดนี้ก็กลายเป็นพิธีกรรมนะสักแต่ว่าเอามาประชุมประชุมกันนั่งแล้วก็บางทีก็ไม่รู้เรื่องก็ผ่า น, ผ, านผ่านไปนะอันนี้ก็ในเมื่อเป็นพิธีกรรมแล้วแสดงว่าเสื่อมนะอา้าวถ้าบองไปในแง่เสื่อมก็เสื่อมละแต่ก็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 จะแปลก็แปลไปแต่ต้องรักษาตัวเดิมไว้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะใช้แปรน่าจะเป็นว่าตัวบาลีเดิมก็ต้องรักษาไว้ด้วยพร้อมทั้งสวดแปลด้วยพระก็คงไม่ค่อยอาอยู่แหละเพราะขนาดสวดบาลีอย่างเดียวนี่ว่ากันไปตั้งสี่สินาทีบางองค์สวดต้งเกือบชั่วโมงใช่ไหมเนี่ยหาองค์ที่สวดสาสนาทีนี่แทบไม่ได้เลยสี่สิบนาทีนี่นับว่าไหวแล้วนะ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 เดิมเป็นหลักแล้วตัวแปรเป็นเครื่องประกอบในการศึกษาเล่าเรียนดันั้นเมื่อรักษาตัวบทไว้ได้ต่อไปเราก็พัฒนาพระเนี่ยที่บวชเข้ามาแล้วไม่เได้เล่าเรียนศึกษาต่อไปก็ให้มีการศึกษาให้รู้เข้าใจซะนะเพราะเวลาเนี้ยพระบวชเข้ามาในจังหวัดต่างๆเนี่ยบวชมาแล้วไม่ได้เรียนอะไรเลยเนี่ยเยอะเหลือเกินนะ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 ดีก็เหมือนกับพระมหายานใช่ไหมก็เลยต่อไปหาของเดิมไม่ได้อย่างมหายานปัจจุบันเนี้ย<อ>คำพีเดิมแม้แต่ที่เป็นภาษาสันสกฤตหาไม่ได้แทบจะคำพีเดียวเนีเหลือแต่เป็นภาษาที่แปลไปแล้วเป็นภาษาจีนภาษาที่เบนเพราะนั้นก็ยากที่จะรู้ว่าตัวเดิมเป็นอะไรใช่ อันนี้ก็แปลว่าสายเทราวาทของเราเนี่รักษาของเดิมไว้ให้บริสุทธิ์ที่สุดถือเป็นของสาคัญนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่ามาถึงปัจจุบันในเมื่อสภาพเป็นเชนนี้เราก็ต้องยอมรับถึงความเสื่อมของพระพุทธศาสนาซึ่งความเสื่อมที่สําคัญก็คือความเสื่อมในการศึกษาหมายถึงด้านเริ่มแต่ปริยัตการเล่าเรียนตัวพุทธพจน์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 มีอะไรสงสัยก็มาถามกันนะฮะที่คุณเรยนครับทีนี้ทุกวันนี้ผมเข้าใจว่าคือพระจะท่องพระปฏิโมกขไปไทั้งหมดใช่ไหมครับวันนี้ถ้าเกิดจากตัวรูปพิธีอยูอ่นอกเขตแต่หมายรู เ, ยเดี๋ยวนี้กําหนดเอาแต่โลงอุโบสถเป็นหลักแต่ว่าแม้พระาคันทุกะไปะก็ถือเป็นพระาคันทุกะ ก, ก็เข้าเขตแล้วก็ต้องเข้ารูปคือหมายความว่า ในเวลานั้นน่ะทุกองค์ที่อยู่ในเขตต้องเข้าที่ประชุมหมดนะฮะถ้าผู้ที่อยู่ในเขตนั้นน่ะไม่มาเข้าที่ประชุมเนี่ยก็แสดงว่าสงฆ์ไม่พรักพร้อมเมื่อสงฆ์ไม่พรักพร้อมแล้วการประชุมเป็นโมฆะเลยนะฮะสังฆกรรมถืออย่างนี้เลยถือว่าเอาทวนอีกทีว่าพระภิกษุทุกรูปนะที่มีสิทธิ์ผู้อยู่ในเขตนั้นนะเขตที่เรียกว่าศีมา เมื่อถึงเวลาประชุมนี้ต้องมาเข้าที่ประชุมทั้งหมดที่เขาเรียกว่านั่งในหัตถบาทในเขตที่มือถึงเนี่ยนะถ้ามีองค์ใดองค์หนึ่งไม่เข้าที่ประชุมนี้แต่อยู่ในเขตเห็นไหมถือว่าสังฆกรรมนั้นผิดหลักผิดวินยัยไม่พร้อมเพียงไม่ครบนะที่ประชุมนั้นไม่ไม่พร้อมเพียงเมื่อที่ประชุมไม่พร้อมเพียงก็ทําให้ สังกกรรมนั้นเป็นโมฆะเลยนะฮะนี่ถ้าสร้างบทกลางแล้วมัดีเนาะเพมีใครไปยืนลบสีตรงน้ำตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วนี่ก็สร้างเฉพาะหลวงโอเบสดีสีมาอยู่แค่นั้นเวลาดูก็ดูว่าทุกองค์ที่มาอยู่ในโบสถ์เนี่ยเข้าที่ประชุมหรือ ย, อยังก็ยิ่งง่ายใหญ่เดี๋ยวนี้เอาก็แค่นั้นที่พูดเมื่อกี้เข้าใจไหมตอนแรกเนี่ยสีมาหมายถึงทางวัดใช่ไหมและหลงโอเบสดก็เป็นเพียงที่ประชุม จะตั้งอยู่แค้นกง์ไหนก็ได้ในเขตนะก็เวลาจะประชุมทีก็ต้องดูว่าทุกองค์ในเขตเนี่ยมาเข้าที่ประชุมหรือยังอย่างศรีมาใหญ่ที่ทั้งวัดเดี๋ยวนี้ก็ยังมียังวัดราชบาพิษเป็นตัวอย่างพอถึงวันอุโบสถนี่จะต้องมีโยมมาคอยดูเฝ้าทางเข้าวัดเลยเพราะถ้ามีพระองค์หนึ่งเข้าไปเขตปั๊บในี่กรรมเสียเลย สัง ก, กักรรมไปโมขะนี่เาปิดประตู ห, หได้ไดหมไหนพ อ, อปิดประตูแล้วก็นั่นแหละก็ต้องมีคนเฝ้าเาก็กลัวเดี๋ยวเกิดมีอะไรขึ้นมา<อ>ใช่ันั้นก็มีวัดอยู่บ้างที่ยังมีอุโบสถเป็นสีมาทั้งวัดนะสีมาใหญ่เรียกว่ามหาสีมาพระราชนพุทเป็นตัวอย่างันนี้วัดทั่วไปก็ใช้แค่โรงอุโบสถ ผูกสีมาแค่นั้นวันนั้นก็เวลาประชุมสังฆก ร, รรมสังฆกรรมก็ดูแค่ในหลงในสีมาในหงอุโบสถพระนอกอย่างนั้นไม่เกี่ยวจะมาจะไปก็เรื่องของท่านแม้แต่อยู่ในวัดนั่นเองก็ไม่เข้าก็ไม่ว่านี่นอย่างอย่างจอบสนะอย่าแกรับเลยเพื่อนร่วมมือก็นจาไมมีบรรพาสีมาสองครั้งพอเข้าบส ก, ก็มีอันนี้ เข้าไปในโบสถ์ก็มีบรราสีมาคัแล้วในตัวโบสถ์เองภายในตัวโสเองก็มีสีมาด้วยด้วยคอ๋อหน้าเป็นหน้าโบสถ์นะฮะก็มีบรรดาสีมาไปแล้วครับอ่าแล้วเข้าไปถึงข้างหลังพรนะครับที่สร้างประักษ์ประักษ์กาพระเจาูกก็ไปทำบรราสีมาครับอันนี้แสดงว่าในตัวโบสถ์เองภายในโบสถ์เองเนี่ยมีสีมาอยู่ภายในด้วยไมไม่ใช่อ่ะสีมาก็มีเขตอันเดียวแหละแต่ว่ามันมีลูกนิมิต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 แต่ทีนี้มันเป็นประเพณีให้ายๆว่าให้ความเคารพให้ความเคารพแก่สถานที่อย่างที่ว่าก็เลยไหว่ไหว้เมื่อจะเข้าเขตสีมาก็ไหว้เคารพแล้วเมื่อเข้าไปในเขตต้องไหว้แสดงความเคารพในเขตอีกใช่ไม้มทีนี้การผูกสีมามีลูกนิมิตนี่ ที่จริงนั้นไอตัวนิมิตก็อยู่ที่เขตนั่นแหละเป็นเครื่องหมายเขตมาเป็นประเพณียังมีลูกกลางอีกใช่ไหมลูกกลางกลางโบสอีกเนะียก็เลยถือลูกนิมิตกลางโบสบางทีถือเป็นสําคัญซะด้วยสำหรับชาวบานะ้านเนี่ยจำนวลูกนี่ไม่ได้กำหนเหอาไว้ด้ยต้องไป็นกลูกกี่ลูกล ก, ก็มีอย่างน้อยมีอย่างน้อยอเพราะว่าถ้าไม่ครบอย่างน้อยมันก็บอกเขตไม่ได้ใช่ไหมอ ย, อ, ย อ, อย่างน้อยก็ เข้าใจว่าสี่หรือเท่าไรผมจำไม่ได้เลยนะนี่ยจำได้ไม่กี่ลูกเนี่ยอย่างน้อยลืมแล้ว8นี่ยแปดนะแปดนะแปลูกเก้าเนี่ยไม่ได้สำคัญอะไรแลูกนยถูกนะแต่ว่าเขานิยมเก้าเก่นะหมายถึงว่าเป็นลูกพิเศษเอาต่วินหนอ่ะ ก็แปลว่า8ปดลูกลุงยังแม่นวินัยอยู่ักมาเป็นทัทางขวามาเป็นทัมาดยังวัดที่อเมริกานั้นท่านตวจเอาเป็นเขตหมู่บ้านเลยสมมติ่าไม่มีมีไม่มีบมีการกหนดีมาอ้าวก็นั่นก็พระจศีมาไงล่ะอันนั้นก็ว่าพระผ่านาไปเก็เสียสีนั่นแหละคือว่าคือเพราะท่านยังไม่ได้ผูก ก็เลยต้องกำหนดเอาอย่างนั้นแต่ทีนี้เพราะเป็นประเทศที่หาพระได้ยากก็เลยมั่นใจว่าในเขตนั้นนะคงไม่มีพระอื่นเข้ามาตลอดเวลาที่เรากำลังทำสังฆกรรมแต่ก่อนนี้อาจจะเอาทั้งเมืองเลยนะเอาซิตี้ออฟนิวยอร์กนิวยอร์กซิตี้เลยนะคื อ, คอไม่สีมาเน้นนะสีมาที่สงตกลงกันกำหนดไว้ นี่อย่างหนึง่งสีมาที่สงไม่ได้กำหนดขึ้นแต่ถือเอาตามเขตกาหนดของบ้านเมืองอย่างหนึง่งคือในเมื่อสงยังไม่ได้กำหนดของตอนเองก็เลยถือเอาตามที่บ้านเมืองเขามีเขตของเขาคือเขตเขตการปกครองเป็นอำเภอเป็นตำบลนะแล้วก็เป็นเมืองนะก็กำหนดเอาตามบ้านเมืองนั่นเอง อย่างนั้นเขาเรียกว่าอภัตตสีมาอนนี้อภัตตสีมานี่อย่างที่บอกที่ว่าเมื่อกี้พระไปอเมริกาหรือไปต่างประเทศตอนนั้นก็ยังไม่ได้ผูกสีมาจะผูกก็ยังไม่ได้ไม่มีพระผู้ชํานาญและไม่มีจํานวนพระสงฆ์ครบยังไม่มีปัจจัยแวดล้อมเพียงพอที่จะทําการผูกสีมาด้วยได้และยิ่งตามประเพณีไทยยิ่ง ถือเป็นเรื่องสําคัญมากจะทำกันก็ทําเป็นเรื่องใหญ่โตต้องนิมนต์พระผู้ใหญ่จากประเทศไทยไปก็เลยว่าเอแล้วระหว่างนั้นจะทํำยังไงจะมีสังฆกรรมก็เลยเอาสีมาประเภทที่ว่าถือตามบ้านเมืองนี่ไม่ต้องผูกก็มาตกลงกันในที่ประชุมสงฆ์เฉพาะที่นั่นบอกว่าเอานะเรากําหนดตามเขตตําบลเขตอาเภอเขตหมู่บ้านเกิดเมือง น, นี้น อันนี้ก็อย่างที่ว่าต้องมีความมั่นใจว่าไม่มีพระอื่นเข้ามาหรอกล้วตามปกติมันก็ไม่มีอยู่แล้วที น, นี้ถ้าเกิดบังเอิญมีเข้ามาก็ยุ่งเหมือนกันนะถ้าเข้ามาในเขตศีมาเนี่ยก็ทาให้สังฆกรรมเป็นโมฆะไป อ, อ น, นี้ทาพระเจ้าีว่าในกที่ต่างมิ ก, กา ย, ยนะครับ <c oughs> ้เกิดจะต้องไปมีโอกาสจะไปทำสังฆ ก, กรรมร่วมกันไมครับเรื่องของการลงมือซ่อมอะไอย่น อ๋ออันนี้ก็เป็นกรณีอีกอันหนึ่งคือว่าเวลานี้ก็พูดกันถือว่าต่างนิกายเป็นนาน า, นาสังวาสกันไม่ยอมร่วมอุโบสดกันเมื่อไม่ยอมร่วมบูโบสดกันก็ก็เลยถือว่าไม่เป็นเหตุให้กรรมเสียถ้าพระที่ต่างนิกายมาก็หมายความว่า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 ที่จะยอมรับใช่ไหมก็ยอมรับโดยที่ว่าเห็นว่าท่านผู้นี้มีความประพฤติดีอะไรต่างๆแล้วนี้มีศีลาจารวัดดีอ้าวแล้วก็องค์ที่ท่านไม่เห็นแล้วก็คงมีดีกิ่งเยอะเหมือนกันใช่ไหม mm hmm. น, น, น้นก็คงอย่าถ้าจะเอายกขึ้นมาเป็นข้อพินาก็คงจะเป็นปัญหาเหมือนกันแต่ว่าเอาข้อปฏิบัติที่ทำกันมาก็คือว่าไม่ร่วมสังกกรรมกันนะ่ ตอนก่อนนี้พระธรรมยุทธ์ถือก็ว่าพระมานิกายนี้เป็นเนนเลย mm hmm. ตอนระยะใหม่ๆนี่ถือก็ดุนแรงมากไม่ฉันอาหารด้วยกั น, นฉันอาหารก็ไม่ฉันและมีการถือกระดุรแรงมีองค์หนึ่งอยู่วัดเป็นจักเป็นพี่เป็นมานิกาย แล้วองค์น้องไปบสอยู่วัดอะไ ร, รจะเป็นราชาธิวาสหรือวัดอะไรเป็นธรรมยุทธ์จำไม่ได้แหละอันนี้องพี่เนี่ยก็ไปเยี่ยมองค์น้องเป็นครัาเป็นคราวนะเมื่อไปเยี่ยมไปถึงกุฏิแล้วก็เอาจีวร อ, ออกก็ผ้าสายระเดียงคือที่สาย ที่จะตาดผ้าน่นะนี่พอพ้าดแล้วเน่เวลากลับก็ห่มกลับไปถือกระแนงมากองค์น้องนี่เป็นธรรมยุทธก็ถือว่าสายระเดียงนี่ใช้ไม่ได้แล้วนถือกับกระหนัดนั่ น, นตัดเลยสายระเดียงเนี่ยต้องตัดแล้วก็ทำใหม่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 ก็เลยมาถึงวันนั้นเอาจีวรเนี่ยมาพาดคอน้องเลยบอกทีนี้กูตัดคอมึงแล้วเนี่ยอะไรจะนอนนี่เป็นเรื่องขำๆเนีที่ว่าถือกันรุนแรงในยุคนั้ น, นต่อมาก็ค่อยๆ ค, คลายจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันไปนหมดถือเป็นอย่างเดียวกันแทบจะไม่มีอะไรต่างกัน คนอื่นถ้าเราช่าจังหวัดเราเจอมันทำอุโบสนะฮะแล้วเราจะทอย่างไรฮาจะขอไปลงอุบได้วัดไหนก็ได้ก็ไปร่วมในนี่กายเดียวกัน<ะ>เพราะว่าถ้าเป็นต่างนิกายเขาไม่ยอมให้ไปเข้าหรอกนี<ะ>่แ้อย่าง<ะ>พวกมานิกายแปลงนะเขาจะยอมไม่มาไม่มีปัญหามหานิกายในการแปลงไม่แปลงก็ไม่มีปัญหาก็ัหเมืม่ออย่างว่าเ็นจ่าเนี่ยก็ห่มคล้ายๆกับ ทางพระธรรมยุทธ์แ้วก็เป็นพระมานิกายคือใหญ่สมมติในการรับสิ่งมุสของท่านฤๅษนะครับจําเป็นไหมฮะที่ช่วงเช้าจะต้องไปรับสิ่จากพระถ้าเกิดเราตั้งใจว่าวันเนี้เป็นพระเราจะรับสิ่แปลกได้<อ>คือไอ้เรื่องที่ว่าไปรับกับพระนี่เป็นการที่ว่าไปสมทาสมทาน กล่าววาจานิสมาทานได้ใจตัวเองก็ได้นะก็เหมือนก็ให้ท่านเป็นพยานให้เรานะก็ถ้าทำเองก็เป็นอธิษฐานอุโบสถตั้งจิตถามาถึงวันนั้นก็รู้กันก็ถือศีลนั้นเลยใช่ไหม